บัพพาที่หนึ่งก็คืออานาปานะบัพพาเนี่ยนะบัพพาก็แปลว่าวักก็ได้แปลว่าหมวดก็ได้หมวดว่าด้วยการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปานะบัพพาหรือว่าหมวดว่าด้วยพิจารณาอิริยาบทสยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาปถาบัพพะหมวดว่าด้วยการเจริญสัมปชัญญะสี่ เน้นพิเศษคืออสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะเจประการเรียกว่าสัมปชัญญาบัพพะบัพพะที่สบัพพะที่สพิจารณาอาการ32มสิบสองโดยมโดยปฏิกูลเรียกว่าปฏิกูลมณสิการบัพพะบัพพะที่สี่บัพพะที่ห พ, 5, พิจารณาท่าทั้ง4ี่เรียกว่าจตุธาตุวัฏฐานหรือจตุธาตุบัพพะการกําหนดท่าสี่ หลังจากนั้นนี่นะบับพาะที่หกถึงที่สิบสี่นนะทงเก้าบัพพาะนี้ก็คือพิจารณาซากศพทั้งหลายนับตั้งแต่ศพที่ตายวันสองวันสามวันจนถึงโน่นแหละกระดูกไปลอยน้ำมั้งก็จ ก, กระดูกลอยเป็นผุยผงเอาไปปลูกพริกปลูกมะเขือนั่นนะจริงนะเขาเอากระดูกพวกนี้ไปปลู ก, ลกผักแล้วก็กลับมาเป็นผักพืชผักตามเดิมนั่นแหละนั่นแหละ เรียกว่าบัพพาสุดท้ายของสติปัฏฐานตอนนี้เราเรียนมาถึงสัมปชัญญะบัพพาสัมปชัญญะโดยศับเนี่ยนะสำบวกประชานะหรือสัมปชัญญะเนี่ยก็คือความรู้ทั่วบัพพะว่าด้วยการรู้ทั่วพร้อมหรือบัพพาว่าด้วยความรอบรู้คำว่ารอบรู้โดยศัพเนี่ยนะสัมปชัญญะตัวนั้น มีสี่ความหมายคือหนึ่งสาทกะสัมปชัญญะการรอบรู้ในเรื่องของประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเอ่อเกื้อกูลต่อประโยชน์โลกนี้เกื้อกูลต่อประโยชน์โลกหน้าสุดที่ที่สําคัญที่สุดก็คือมีอ ค, อ ค, อความรอบรู้ว่าอะไรเกื้อกูลให้รอบรู้ประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าสาธากะสัมปชัญญะอย่างที่สองที่เรียกว่าโคจระ สปายะสัมปัญญาเนี่ยนะสิ่งทั้งหลายที่มีประโยชน์ก็มาดูว่าเป็นที่สบายหรือไม่เป็นที่สบายคําว่าสบายแปลว่าเกื้อกูลต่อกุศลการเจริญกุศลที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ทําด้วยหน้าดําครัําเครียดทําด้วยความอึดอัดคับแคบไม่ตรงกันข้ามบอกว่าชีวิตไหนที่จะมีความสุขเท่ากับชีวิตที่เจริญกุศลไม่มีอีกแล้วอันท่าความเข้าใจในการเจริญกุศลถูกต้องจะรู้ว่า การเจริญกุศลที่ถูกต้องนั้นมีความสุขมากถ้าไม่เจริญกุศลในี่สิทุกข์ครับอในหลักการทางพระธรรมนี่ถือว่าถ้าปฏิบัติผิดถ้าอยู่ใช้ําช้มีความสุขถ้าทําแล้วทุกข์ถ้าปฏิบัติถูกถ้าไม่ปฏิบัติในทุกข์แต่ถ้าปฏิบัติแล้วมีความสุขคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเข้าใจถูกต้องยิ่งทําตามเท่าใดยิ่งมีความสุขขึ้นเท่านั้น ยิ่งปราบเริ่มใจขึ้นไปเท่านั้นอริยทรัพย์ยิ่งเจริญขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะรู้สึกว่าชีวิตไม่รู้ไม่บกพร่องเป็นชีวิตที่ไม่กลวงภายในต้นไม้ที่มีกลวงภายในคเครียกต้นไม้อะไรต้นไม้มีโพรงแรียว่าต้นไม้ที่ปราศจากแก่นเป็นต้นไม้กลวงชีวิตของผู้ที่เจริญกุศลธรรมนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นเป็นชีวิตที่มีแก่นสารตามระลึกถึงความหลังแห่งชีวิตที่ผ่านมาก็มีความสุข ระลึกถึงอนาคตต่อไปข้างหน้าก็มีความสุขเพราะว่ามองเห็นแต่ความเจริญแห่งบุญความเจริญแห่งกุศลมองเห็นแต่ความเจริญงกเลยชีวิตของผู้ที่เห็นแต่ความเจริญเนี่ยนะชีวิตของบุคคลนั้นเนี่ยถามว่าทุกข์หรือสุขบอกว่าจริงๆก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขชีวิตของผู้ที่เจริญกุศลถูกต้องมีแต่ความสุขระลึกถึงที่เจริญมาแล้วก็เป็นสุข ระลึกถึงที่จะทําต่อไปก็เป็นสุขเครียกว่าเป็นสุขในทุกอารมณ์ทั้งอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตก็เป็นสุขระลึกถึงสิ่งที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็เป็นสุขพิจารณาอารมณ์ที่กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็เป็นสุขเพราะขีดความสามารถในการเจริญกุศลมีสูงเรียกว่าศึกษาสัปพายะเป็นที่สบายเกื้อกูลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าสิ่งใดที่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถะวิปัสสนาได้ อันนั้น เ, เรียกว่าสบายแท้จริงนะนะคำว่าสบายในที่นี้ไม่ใช่ลักษณะของกินอิ่มนอนหลับแบบธรรมดาทั่วไปเพราะสิ่งนี้สบายในตอนต้นแล้วมันก็จะไม่สบายถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนะดูเหมือนสบายแต่จริงๆว่าต่อไปนะั้นไม่ได้สบายจริงๆอะไรหรอกอย่างชีวิตของคนที่ไม่ศึกษาพระธรรมอ่ะปล่อยปละละเลยไปวันๆหนึ่งดูเหมือนสบายอะไรเหมือนชีวิตที่สมมติเราเกิดมาเนี่ยตกงานไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเลยเนี่ยนะ อาหารข้าวของเครื่องใช้ที่มีใช้สอยอยู่ทุกวันก็ร่อยหรอลงไปแต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจแดดลมฝนอะไรทั้งนั้นแหละนะที่ไหนที่มันนั่งลมโชยสบายก็ไปนั่งสบายๆใจลอยไปเรื่อยสร้างวิมานในอากาศถามว่าชีวิตคนเนี่ยดูเหมือนมีความสุขใช่ไหมแต่ถามว่าอนาคตต่อไปนี่มีความสุขจริงหรือก็บอกไม่บางอย่างนี่ดูสุขในปัจจุบันก็จริงแต่ว่าในอนาคตไม่ได้เป็นสุขเลย แต่ว่าการเจริญพระธรรมที่ถูกต้องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะขณะที่ทาก็เป็นสุขแล้วก็มองสิ่งที่เป็นผลต่อไปก็เป็นเป็นสุขโดยเฉพาะคนที่อบรมสมถาวิปัสนาอบรมสติปัฏฐานขณะที่อบรมเนี่ยนะกุศลจิตเกิดขึ้นกุศลจิตเหล่านี้เนี่ยที่ได้รับการเข้าใจเหตุเข้าใจผลเป็นอย่างดีขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นมองเลยว่า กุศลจะต้องเจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปดุจพระจันทร์ข้างขึ้นก็คือวันนี้สว่างเท่านี้กุศลธรรมเจริญเท่านี้พรุ่งนี้โตกว่านี้ปืนนี้ต่อไปดีกว่านี้สัปดาห์นี้เท่านี้สัปดาห์หน้าเจริญกว่านี้ปีนี้เจริญเท่านี้ปีหน้าเจริญกว่านี้10ปีข้างหน้าเจริญกว่านี้20ปีข้างหน้าต่อไปเจริญกว่านี้กุศลธรรมเจริญงอกเงยยิ่งยิ่งขึ้นไปความสว่างสวัยทางใจเนี่ยนะสว่างสวัยด้วยอำนาจปัญญาก็ยิ่งเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ใครที่เจริญมองด้วยความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่กล่าวเรียกว่าสปายะรู้ว่าอะไรเป็นสปายะอะไรไม่เป็นสปายะเนี่ยนะตรงนี้เรียกว่าคาดคาดคํานวณ ว, ว่าผลที่จะมีต่อไปในอนาคตนั่นแหละเป็นตัวประกาศว่าสิ่งที่กําลังเจริญปัจจุบันนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างสมมุติว่าการเดินทางผิดหรือเดินทางถูกนี่เข้าอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเออนี่ผิดแล้วนะนี่ถูกแล้วนะเขาเอาจุดไม้ปลายทางเป็นเครื่องวัด ถ้าถนนเส้นใดที่ทำให้ใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปถนนเส้นนั้นเรียกว่าเดินถูกสายถ้าหากว่าเดินทางไปไกลไปเรื่อยไกลไปเรื่อยเรียกว่าเดินทางผิดชันใดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าสิ่งใดถูกต้องเป็นที่สบายจริงกุศลธรรมเหล่านั้นก็ใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีมันที่สำคัญที่สุดเนี่ยการศึกษาพระธรรมทั้งหลายต้องจับเป้าหมายให้ชัดเจนว่า ที่ที่เราเจริญไปถึงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่ถ้าหากว่ามีความเข้าใจชัดเจนแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเข้าใจไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าตัวเองปฏิบัติอะไรปฏิบัติทำไมแล้วเจริญเติบโตอย่างไรไปจบที่ไหนจบอะไรบรรลุอะไรบรรลุแล้วมันดีอย่างไรถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไปอ่านจะว่าเนี่ยท่านเหล่านี้ไปอยู่รีเกรนอยู่เงียบๆ เ, เอาว่างเอามัาง่งข้อมานี่จะทํา่เรียนแบบประจาเลยเมื่อก่อน แล้วก็ไปหาที่เงียบๆไม่รู้อะรู้แต่ว่ามันเงียบกว่าใช้ได้แล้วให้มันไกลหมู่บ้านเท่าใดยิ่งเย็นเท่าใด ย, ยิ่งชอบ น, นะห่างหมู่บ้านให้มันลึกๆไปเป็น10กิโลก็ไม่ว่าจะเดินบินเทบาตสองชั่วโมงก็ไม่ว่าเดินน้องๆวิ่งอะนะสองชั่วโมงเนี่ย mm. ก็ไม่ว่าเดินก็เกือบ10ชั่วโมง เ, เดิน10กิโลเนี่ยนะไปกลับรวม10กิโลเนี่ยจะใกล้ขนาดนั้นก็ไม่ว่าขอให้มันได้อยู่ที่เงียบๆแต่ทํามว่าอยู่เจริญอะไรก็ไม่รู้อะ รู้ว่าเออกำหนดลมหายใจว่าเข้าไปอ่านะให้ท่องอะไรก็ท่องไปก็ทําแต่ว่าก็ถามว่าได้อะไรมั่งก็ได้เหมือนกับคนชาวป่านะไปฝึกเป็นชาวป่านี่ยแหละไปฝึกเป็นคนอยู่ป่าไปวันวันหนึ่งก็ได้เท่านั้นได้กินแค่ว่าได้ทานอาหารที่มันเป็นของป่าเออนั่นแหละที่ได้ชัดเจนเลยนะที่เหลือก็หลอกตัวเองว่าได้หลอกตัวเองว่าเจริญถามว่ามันเจริญยังไงบอกไอ้พวกนี้มันไม่รู้มันจึงถามเราเพราะงั้นนะ ดูถูกคนอื่นอีกที่ไหนได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ยนะก็โดยมากก็เจริญลักษณะนั้นท้ายที่สุดเอาไปเอามาก็พระจันทร์ข้างแรมเนี่ยนะพระจันทร์ข้างแรมก็คือมันค่อยๆมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยในที่สุดแม้กระทั่งอนาคตการบวชก็ริตรีลงไปเข้าไปทุกทีเพราะฉะนั้นเคยมีเพื่อน20 30รูประโลไปทิ้งปีละ3าสี่รูป5้ารูปเนี่ยนะพอมาถึงพันสามสเนี่ยโลเพื่อนเกือบหมดเลย พอถึงพรรษาสิเเหลือ น, น้อยเต็มทีมันก็แสดงว่ามันพะจ์ข้างแรมเพรามันเกิดอะไรขึ้นก็นแสดงว่าที่เจริญกันเนี่ยไม่มีเป้าหมายเลยเจริญแล้วมันจบที่ไหนและเจริญแต่ละวันเจริญเติบโตในกุศลธรรมขนาดไหนรู้ไหมตรวจได้ไหมมันเป็นวิชาเดียวที่ในยุคนี้นะที่ศึกษาโดยที่เรียกว่าเขายอมรับไหมว่าศาสนาดีดีประเสริฐใช่ไหมใช่ อันนี้สรงมากใช่ไหยบอกใช่ยอมรับหมดเลยแต่ถามว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรบอกไม่รู้อยากรู้ไหมเออขอคิดดูก่อนนะว่ากันหนคือทําเป็นสุ ข, ขุมนะถ้าอย่างไงก็ทําเป็นรอบคอบแหมใครครวรทําเป็นละเอียดทีท้วนนะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยตัดสินใจพรวด ท, ทันทีเลยนะแต่ว่าความเข้าใจในพระธรรมนี่กลับกลายเป็นเรื่องว่าขอเวลาตัดสินใจหน่อยก็ว่ากันขอเวลาทบทวนหน่อยเขามาเคยถูก พระรูปหนึ่งท่านบอกว่าที่อย่างนี้ทาเป็นสุ ข, ขุมเขาบอกงั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเออทาไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้เพรานการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องศึกษาจนถึงขนาดตรวจสอบตัวเองได้วิจัยได้ว่าทําไมจึงเจริญทําไมจึงเสื่อมแล้วความเสื่อมมีเพราะอะไรปัจจัยตัวใดทําให้เสื่อมความเจริญมีเพราะอะไรแล้วปัจจัยตัวใดทําให้เจริญก็เหมือนกับทางโลกที่เรื่องการตลาดอะไรเป็นต้นนั่นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่า ทวนอีกครั้งย้ำอีกทีว่าทางโลกกับทางธรรมต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าทางโลกสแสวงหาโภกทรัพย์ธรรมะสแสวงหาอริยทรัพย์มันทรัพย์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันอริยทรัพย์กับโภกทรัพย์ทางโลกเมื่อประสบความสําเร็จก็บริบูรณ์ผุนศึกขวังนั้นแต่มีเลือกสวนไร่นามีขาา้าทาสบริวารบ้านช่องห้องหอมีเงินมีอะไรมีทองทุกอย่างปรารถนาปัจจัยสี่เมื่อใดไ ด, ได้สมความปรารถนา ถ้าทำเสร็จบริบูรณ์อยากใช้ผ้าชนิดใดก็ได้ใช้อย่างที่ต้องการอยากจะบดทานอาหารชนิดใดก็ได้อย่างที่ต้องการอยากจะอยู่บ้านประเภทไหนก็ตัวเองก็อยู่ได้ต้องการะนะถ้าเจ็บไข้ไม่สบายเลือกเคิดว่าเลือกยาเลือกหมอได้แล้วก็ถ้ามีใจอยากจะท่องเที่ยวอยากจะดูอะไรก็ได้เห็นได้ดูอยากฟังอะไรก็ได้ฟังอยากคานอะไรก็ได้ทานอยากใช้ข้าวค้องเช่นใดก็จะได้ทั้งหมดตามที่ตัวเองปรารถนา น, นั่นเป็นความเจริญแห่ง ข้อกษาปณ์ถ้าถ้าบุคคลที่บริหารถูกต้องในโลกนี้ชั้นใดในทางธรรมะก็เหมือนกันถ้าหากว่าบริหารถูกต้องเจริญถูกต้องเจริญด้วยอะไรบอกเจริญด้วยกุศลธรรมเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยหฮริเจริญด้วยโอตปะเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยจารค่ะเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยสติปันสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงและองค์มักถ้ากุศลธรรมเหล่านี้เจริญเต็มที่บริบูรณ์ชีวิตเป็นชีวิตที่มีสาระเนี่ยนะเป็นชีวิตที่มีอารย ซับเนี่ยโดยศัพ์แปลหมายถึงเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะก็มีแต่สิ่งที่ตัวเองปลื้มใจไม่มีขณะใดาที่จะต้องเศร้าหมองอะไรเพราะตัวเองมีมีสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจแม้แต่ชีวิตต่อตอไปเนี่ยนะอายุมากขึ้นก็มีความสุขยิ่งขึ้นถ้าศึกษาพระธรรมถูกต้องนั้นอายุมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะกุศลธรรมมันเติบโตยิ่งขึ้น ถ้าเรียว่ายิ่งอายุมากขึ้นได้บุญมากกว่าเดิมเพราะอุปนิสัยที่ที่เคยตั้งไว้แต่เก่าเนี่ยมันแรงนนะก็ยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเหมือนกับปลูกต้นไม้เนี่ย น, นะปลูกต้นต้นโพแล้วค่ะเหมือนปลูกต้นโพตอนได้ก็ปลูกต้นน้อยต้นไม้เราเนี้ได้รับการบำรุงดูแลมันก็เจริญเติบโตเต็มที่ในที่สุดก็เป็นต้นไม้ที่มีร่มมีเงาเต็มไปด้วยผลิต ด, ดอกออกผลอย่างบริบูรณ์ฉันใดกุศลธรรมที่เจริญขึ้นเติบโตบริบูรณ์เต็มที่ก็มีแต่ความสุข สุขใจก่อนละเนี่ยนะสุขใจก่อนละก็เป็นคนที่ไม่กลัวต่อเรียกว่าอะไรนะไม่กลัวต่อชาติหน้าขณะเดียวกันก็มองว่าชีวิตที่ได้ในชาตินี้ถือว่ามีสาระที่สุดแล้วชีวิตต่อไปก็ไม่ไม่น่ากลัวอะไรแล้วก็กุศลธรรมที่เจริญขึ้นก็สามารถที่เลือกปฏิสนธิได้มั่นใจว่าบุญที่ตัวเองทำเนี่ยนะเป็นเป็นเชื้อที่ไปเพาะปลูกเป็นเมล็ดพันธ์ชั้นดีว่าไง เพราะว่าสร้างคุณภาพจิตจนมีคุณภาพสา ม, มารถที่จะเลือกปฏิสนธิได้เลือกชาติตระกูลได้เลือกประเทศได้เลือกเลือกที่เกิดได้ที่ผ่านมาเราเลือกที่เกิดไม่ได้เพราะเราทําบุญไว้ไม่พอกุศลจิตไม่หนาแน่นพอแต่ถ้ากุศลจิตหนาแน่นพอเลือกเกิดได้เลือกเกิดได้ในมิลินทปัญหาจึงกล่าวถึงสุวรรณสามก็เลือกเกิดเลือกแม่ว่าเออถ้าแม่อย่างนี้จึงจะเกิดถ้าไม่ได้แม่อย่างนี้ไม่เกิด หลายท่านพระโพธิสัตว์เหมือนกันหลายๆชาติเนี่ยเลือกเกิดได้เลยว่าจะอยู่แม่ประเภทไหนดูเลยว่าแม่ตระกูลไหนเช็คตระกูลเช็คฐานะเช็คความเป็นอยู่เช็คอายุแม่ตรวจสอบได้หมดแล้วค่อยไป น, ยนะเหมือนกับเหมือนอะไรเหมือนกับพอมีทรัพย์มีสตังหน่อยเนี่ยนะเลือกโรงสมมติเราจะไปเมืองใดเมืองหนึ่งเลือกห้องนอนได้ไหม เลือกโรงแรมได้ไหมว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรแล้วเลือกห้องได้ไหมว่าจะใช้ห้องชนิดไหนฉันใดผู้ที่มีบุญเพียงพอก็เหมือนกันเลือกที่เกิดได้จะเลือกเป็นเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าใครหรือเกิดเป็นโอปปาติกะก็เลือกได้ถึงแล้นก็เลือกได้ด้วยว่าพบต่อไปนั้นควรจะตรัสรู้อะไรเนี่ยนะควรจะได้บรรลุมัตผลเช่นไหนก็เลือกได้เพราะกุศลจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทําให้สมความ หวังเป็นสิ่งที่ทําให้สมความปรารถนาทีนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วสมัยที่คําณะที่กําลังเจริญกุศลอยู่ตรวจได้ไหมว่าตอนนี้กุศลเจริญแค่ไหนสบายขนาดไหนเติบโตขึ้นบ่อยไหมถ้าหากว่ากุศลธรรมเจริญถูกต้องนั้นมีแต่มีแต่เติบโตยิ่งขึ้นและมีความสุขยิ่งขึ้นเนยนะมีแต่ความสุขยิ่งขึ้นมีแต่ความสบายใจมีแต่ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นผาสุกมากขึ้นสงบมากขึ้นดีใจมากขึ้นนั่นแหะที่ถูกควรจะเป็นอย่างนั้น แต่ขณะเดียวกันเขามีคำถามว่ารำมานี้เป็นของที่โง่เขลางมงายหรือเป็นของที่ผู้มีความรู้ก็าบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะเป็นเรื่องของความรอบรู้จริงๆที่เรียกว่าปัญญาปัญญาตัวนี้แหละคือสัมปชัญญะเนี่ยนะและสัมปชัญญะเหล่านี้ต้องเจริญได้ในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งอย่างตอนนี้ที่เรากําลังพูดถึงการไปกับการมายกตัวอย่างอิริยาบถเดินไปมาเนี่ยนะไปกับมาในอิริยาบถเดินเช่นขาไปกับขากลับ เช่นไปไหนถ้าเป็นพระก็ยกตัวอย่างว่าไปบินทบาทแล้วก็กลับจากบินทบาทถ้าเป็นโยมทั้งหลายก็ไปทำงานแล้วก็กลับจากที่ทำงานพรา น, นระหว่างไปทํางานเนี่ยนะเลือกเส้นทางเป็นที่สบายไหมกุศลเจริญไหมเป็นต้นเนี่ยนะกุศลจิตเกิดบ่อยไหมอย่างพระพิสุที่ท่านเดินบินทบาทเนี่ยนะบอกว่าเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยกรรมฐานนั่นเองยกเท้าขึ้นเดินไป อย่เรียกว่าใกล้ไปถึงใกล้หมู่บ้านก็อมน้ําเอาไว้พิจารณาดูทางหลายสายหลายสายเพราะว่าในหมู่บ้านจะมีหลายซอยใช่ไหมทีนี้ไอาการไปบินธบาติเนี่ยอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สมัยใหม่เข้ามาจัดแบ่งหมวดหมู่วะพระกลุ่มเนี่ยไปซอยนี้พระกลุ่มหนึ่งไปซอยหนึ่งพระอีกกลุ่มหนึ่งไปซอยหนึ่งแต่ถ้าโบราณเลยก็ตามใจก็แล้วกันไปซอยไหนก็ตามใจใครจะไปเช่าไปสายไปเกือบเที่ยงก็ได้ตามใจอยากจะไปเวลาไหนก็ตามใจเขาจะไม่มีกําหนดตารางเวลาอะไรมาสักอย่างสมัยนั้นนะนะ เพราะว่าโดยมากคนดีมีมากถ้าที่ใดมีคนดีมากไม่จำเป็นต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อะไรมากมายแต่กฎเกณฑ์ทั้งหลายไว้ใช้กับคนเลวไว้ควบคุมคนเลวนั้นถ้ามีคนดีมากๆขึ้นเนี่ยนะทุกคนมีความสุขจริตใจหมดเลยถามว่าอย่างสมัยที่ไม่มีขโมยเนี่ยนะประตูบ้านมีความสำคัญอะไรบา้างแทบไม่มีความสำคัญอะไรเลยใช้ประตูผ้าก็ได้ปิดๆสักหน่อยเนี่ยนะ แค่นั้นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามีแต่คนดีของกันฉันใดในในกลุ่มโบราณก็ลักษณะเดียวกันพระพิสุทั้งหลายก็เป็นพระที่ที่มีคุณภาพเป็นพระที่มีศรัทธาเนี่ยนะพระที่มีศีลพระที่ทรงคุณทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาท่านเหล่านั้นหลายท่านก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นท่านเหล่านั้นเนี่ยนะประชาชนเห็นแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสเห็นท่านเหล่านั้นแล้วก็มี ความสุขแต่มาในยุคหลังๆเข้าเห็นแล้วระแวงเนี่ยนะเห็นแล้วชักระแวงด้วยระวังด้วยกลายๆหมักหนักมาเรื่อยมากๆเข้าเห็นท่าละภรวาเลยจะมาขออะไรอีกแล้วเนี่ยนะมันก็แล้วก็มีบางยุคเหมือนกันนะสมัยก่อนสมัยพุทธกาลมีอยู่ช่วงหนึ่งพระเรื่อยจัดถึงขนาดเรียกว่าโยมเห็นโครีวิ่งหนีเลยโอ้ยจะมาอีกแล้วเหรอนี่ยเห็นโคสีเหมือนจีวรว่า อ, อ้าหนีเลยก็งั้นมาอีกแล้วแล้วคอมากเนี่ยนะนะเหมือนสมัยนี้แหละ ขอเหมือนเหมือนสมัยนี้เลยสมัยนี้ก็ประโยมสักผวาเยอะแล้วกลัวมาขออะไรอีกนาะเนี่ยนะแต่คนที่เขามีศรัทธาก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พวกที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็ดูจากอะไรบอกเออดีนะที่นี่ไม่เรือะไรกางันนะก็ไปที่ไหนบอกว่าเออสรุปว่าไอ้ดีหรือไม่ดีของเขาเนี่ยเอาอยู่แค่เรื่องเดียวนะคือไม่เรือะไรเหมือนกับว่าคนที่เขาฟังที่จะโบอกโอ้ฟังสถานนี้มันดีเขาบอาทำไมบอกมันไม่มีรื่อยะไร แ, แค่เนี้ยเหตุผลบอกโอ้เนี่ยเลยนึกว่าฟังอาัริยศัตรูมางั้น <c oughs> นิย้อนกลับมานะว่าในเรื่องของการเดินบินธบาติเนี่ยนะทีนี้สําหรับผู้ที่จะเดินบินธบาตโดยเฉพาะพระพิสูจที่จะเดินบินธบาตก็ให้เลือกดูว่าที่ที่สายที่จะไปเนี่ยนะถนนที่ไปเนี่ยมีคนทะเลาะกันไหมเส้นนี้มีนักเลงสุราขี้เมาเยอะไหมมีนักเลงการพนันเป็นต้นไหมมีช้างโดมัยมีม้มาโดมัยอันนี้เรียกว่าตรวจดูก่อน เรียกว่าอาสวะบางอย่างละได้ด้วยการเว้นรอบเพราะฉะนั้นสถานที่จะไปก็ต้องเลือกไปก็เหมือนกับเราเดินทางเนี่ยถ้ารถติดมากๆคนรู้ว่าถานนเส้นไหนรถติดไปไหมออก็ไม่น่าไปนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เดินไปในทางนั้นเช่นกับพระมหานาคเถระชาวกาลวัลนิมณดกและเหมือนกับพิสูจนผู้จําพรรษาอยู่ในกะลัมพระติฐาวิหารอย่างที่ยกตัวอย่างได้ผ่านไปแล้ว เมื่อเธอจะไปบินธบาตในบ้านนั้นก็ไม่ไม่เดินเร็วเหมือนคนรีบร้อนนะเพราะว่าไม่มีทูดงอะไรเชื่อว่าเป็นทูดงสำหรับผู้เดินบินธบาตเร็วในทูดงเขวัต13ข้อไม่มีวัดในการเดินบินธบาตเร็วๆไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบอะไรมากมายแต่ว่าเดินไม่โครงกายเหมือนเกวียบนบรรทุกน้ำเต็มน่นะถึงพื้นที่ราบเรียบ เขาบอกว่าเกวียนสมัยก่อนที่บรรทุกหม้อดินใส่น้ําเนี่ยนะถามว่าขับเร็ ว, เรวๆเนี่ยมีผลดีไหมแบบย่าไม่ดีนะเดี๋ยวก็กระทบกันแตกกันหมดแหละชั้นใดนี่ก็เหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้าไปยืนตามลําดับเรือนคอยเวลาพอสมควรเพื่อสังเกตดูว่าเขาประสงค์จะถวายตักอาหารเขาจะใส่บาตรหรือไม่หรือว่าไม่ประสงค์จะถวายก็เดินไปให้ยืนให้เขาเห็นหน่อยถ้าเขาเห็นแล้วเขาเฉยๆก็แปลว่าเขาไม่ใส่ ถ้าเขาเห็นแล้วเขาขวนขวายแสดงว่าเขาเตรียมจะใส่บาตเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พอได้อาหารก็จกับ อ, อยู่ในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านหรือมายังวิหารก็ได้หาโอกาสที่สมควรเป็นที่สบายเป็นที่สปายะมณสิการกรรมฐานกําหนดปฏิกูลสัญญาในอาหารพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับน้ํามันหยอดเผาเนี่ยนะก็คือเกวียนสมัยก่อนเนี่ยจะต้องหยอดเผาเกวียนถ้าไม่หยอดเนี่ยนะมันก็จะมันจะร้อนมากขึ้นมันจะร้อนรๆอ น, อนแล้วมัน เพลาเกียนมันก็จะหักก็ต้องคอยหยอดน้ำมันให้มันลื่นดีมันจะได้ไม่มีความร้อนเนี่ยนะฉันตายร่างกายก็เหมือนกันถ้าได้อาหารไปดีก็ไม่กวนกวายไม่กระสับกระสายบริโภคเหมือนกับหยอดหยอดเพลาหรือเหมือนผ้าพันแผลหรือเหมือนบริโภคเนื้อบุตรนําอาหารที่ประกอบด้วยองค์แปดมาก็คือฉันไม่ใช่ฉันเพื่อเล่นไม่ใช่ฉันเพื่อตกแต่งไม่ใช่ฉันเพื่อประดับประดา นะก็ฉันเพียงเพื่อให้กายเหล่านี้เป็นอยู่ได้เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อบำบัดทุกขเวทนาเก่าคือความหิ้วไม่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเป็นต้นฉันเสร็จแล้วก็จัดเกี่ยวกับเรื่องน้ําน้ําฉันแล้วก็ล้างบาดเบ็ดเสร็จระงับความลําบากที่เกิดจากอาหารสักครู่หนึ่งก็มานัศการกรรมฐานนั่นแหละในเวลาหลังฉันเหมือนกับเวลาฉันเวลาก่อนฉัน ก่อนฉันฉันใดหลังฉันก็ฉันนั้นแปลว่าก่อนอาหารเจริญกรรมฐานฉันใดหลังอาหารก็เจริญกรรมฐานฉันนั้นช่วงเช้าเจริญกรรมฐานฉันใดช่วงบ่ายช่วงค่ำก็เจริญกรรมฐานฉันนั้นช่วงกลางวันเจริญกรรมฐานฉันใดช่วงกลางคืนก็เจริญกรรมฐานฉันนั้น นะวันที่หนึ่งเจริญฉันใดวันที่สองสามสี่เป็นต้นก็เจริญฉันนั้นเดือนนี้เจริญฉันใดเดือนหน้าต่อๆไปก็เจริญฉันนั้นฤดูนี้เจริญฉันใดฤดูต่อไปก็เจริญฉันนั้นปฐมอวปีนี้เจริญฉันใดปีต่อต่อไปก็เจริญฉันนั้นช่วงชีวิตในวัยหนุ่มเจริญฉันใดช่วงวัยแก่วัยกลางคนไปแล้วถึงชราก็เจริญฉันนั้นเนี่ยนะก็แปลว่าเจริญจนตายว่างั้น ่ผู้ที่เจริญได้บ่อยเจริญได้อย่างมากต่อเนื่องปฏิสัมพิธามัามมากที่เราเรียนครั้งที่แล้วใช้คําว่าเชื่อว่าภาวนาพราะว่าจิตเสพคือทําให้มากก็คือเจริญให้มากเจริญได้บ่อยเจริญอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าภาวนาเมื่อเธอบําเพ็ญขตะปัจจคติกวัฏคือการนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับอย่างนี้ถ้ามีอุปนิสัยสมบูรณ์แล้วซให้จะบรรลุปเป็นพระอรหันตในปฐมอวัย อนนั้นหมายควาว่าไม่อายุไม่เกิน33ก็บรรลุเป็นพระารหัสแล้วถ้าหากว่าไม่บรรลุในปฐมวัยก็จะบรรลุในมัชชิมวัยนนช่วง3 3มสถึงหกก็จะบรรลุถ้าหากว่ามัชชิมวัยไม่บรรลุก็จะไปบรรลุในมรณะสมัยก็คือไม่เกินตายอ่างนั้นเถอะเกือบตายก็ได้บรรลุได้ช่วงก่อช่วงก่อนตายนี่ก็สามารถบรรลุได้ถ้าหากว่าตายแล้วก็ไม่บรรลุล่ะหากไม่บรรลุในใกล้มรณะสมัยก็จะเป็นเทพบุตรจะได้บรรลุ เหตุผลอันหนึ่งเขาบอกว่าทําไมเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้บรรลุพอไปเป็นเทพบุตรแล้วได้บรรลุเพราะว่าสปายะแตกต่างกันคือตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะบางทีสุขภาพไม่ดีอายุมากขึ้นเจริญกุศลธรรมได้ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะแล้วก็เรื่องราวมันมากขึ้นเขาพอยิ่งอายุมากธุระมันยิ่งเยอะเนี่ยนะรู้จักคนก็มากขึ้นคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีโดยเฉพาะพระเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าหากว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอสมควรนี่ก็ญาติเยอะว่างั้นเถอะญาติเยอะก็นั่งคุยอยู่นั่นแหละท่านก็ถือว่าไม่ค่อยส ป, ปายะเท่าที่ควรสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าไปเกิดในเทวดาไปแล้วสุขภาพทางกายและใจนี่ก็ดีขึ้นเป็นเทพบุตรก็จะบรรลุทีนี้คําว่าเป็นเทพประบุนี่รวมถึงเป็นพรหมด้วยนะรวมถึงเป็นพรหมก็จะบรรลุไม่บรรลุในเทวดาทั่วไปก็ไปบรรลุที่พรห ม, มโลก ถ้าไม่บรรลุตอนที่เป็นเทวดาสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นจะเกิดขึ้นนะก็จะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์รำปัจเจ ก, กโพธิญาณให้แจ้งเช่นท่าปัจเจกที่เราเรียนกันในคควิสานสูตรถ้าหากว่าไม่ทําให้แจ้งปัจเจ ก, กโพธิญาณ้ายต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็จะเป็นผู้ตรัสรู้เร็วต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้า เหมือนพระพหยะทารุจิริยะเทระเนี่ยนะฟังธรรมจบก็บรรลุเป็นพท่ารหันเลยหรือถ้าไม่บรรลุแบบพระาพาหิยะก็จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรท่านใช้คําว่าเหมือนนะไม่ได้คำว่าเหมือนเนี่ยแปลว่าเท่าใช่ไหมคําว่าเหมือนเช่นว่าอะไรนะโอ้ยใครนะมีบุญเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็แปลว่าถามว่าเท่าพระพุทธเจ้าไหมไม่เท่าแต่ว่ายกว่าเหมือนโอ้นี่ไฟอะไรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์เลยยังไงนะ ก็แปลว่ามันจะมีไฟที่ไหนมสว่างเท่าดวงอาทิตย์ไม่มีรอกแต่พูดถึงคำว่าเหมือนก็อันนี้ยกเป็นเพียงตัวอย่างฉันใดถ้าอบรมเจริญสมถาวิปัสสนาไว้มากก็จะมีปัญญา ม, มากเหมือนหรือคล้ายพระสารีบุตรจะมีฤทธิ์มากเหมือนพระมหาโมคขลานะหรือจะเป็นผู้บอกสอนเรื่องทูดงปฏิบัติขัดเกลาเหมือนพระมหากรสปะ หรือจะเป็นผู้มีตาทิพย์เหมือนพระอนุรุทธะหรือจะเป็นพระวินัยทอนทรงพระวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงเหมือนพระอุบาลีหรือจะเป็นพระธรรมกะถึกผู้แสดงคะถาวัตถุสิประการเหมือนพระมบุณมันตานีบุตรหรือจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นประจำเหมือนพระเรวัตตเนี่ยนะยินดีในการอยู่ป่าหรือจะเป็นพระพหูสูตรเหมือนพระอนนเทระ หรือจะเป็นผู้ไข้ในการศึกษาเหมือนพระาหุนเถระผู้พุทธบุตรชนีเพราะฉะนั้นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เรียกว่าปุพพโยคาวจรคือที่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอบรมสมถาวิปัสสนามาเป็นอย่างดีแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากเมื่อสั่งสมบุญไว้มากขนาดนี้ ท่านเหล่านี้ก็สามารถที่จะบรรลุได้ง่ายเพราะสมัยพุทธกาลเขาจะมีผู้ที่บรรลุมากมายก็ให้ได้สั่งสมในการประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ชอบเอาไว้เถอะพิกษุผู้นำไปและก็นำกลับใน4วาระนี้เนี่ยนะคือคือรวมทั้งหมดใช่ไหมบางพวกพวกที่หนึ่งนำไปไม่นำกลับพวกที่สอง นำกลับแต่ไม่นำไปพวกที่สามไม่นำไปและไม่นำกลับที่เรากำลังพูดกล่าวไปผ่านไปเมื่อกี้ยกตัวอย่างบรรลุปเป็นผ้าหันหลายท่านด้วยกันแล้วก็เป็นวาสนาที่จะบรรลุต่อไปในอนาคตท่านเหล่านี้คือผู้ที่สามารถเจริญกรรมฐานนำกรรมฐานทั้งขาไปและขากลับเรียกว่าสุดยอดของโคจรสัมปัญญะสามารถที่ให้ใจเนี่ยโคจรไปในสัมปัญสัมปัญญาหรือ มีใจโคจรไปในสติประญาบริหารกรรมฐานอย่างต่อเนื่อง